เมื่อเดินที่แล้วตมาได้มีโอกาสไปประเทศอิสราเอลนะสถานทูตไทยที่นั่นพอทราบว่าตมาไปยุโรปก็นิมนต์ต่อเพื่อได้ไปให้กําลังใจแล้วก็สนทนาธรรมกับคนไทยที่นั่นพวกเราคงทราบว่าคนไทยไปทํางานที่ตะวันออกกลางเยอะแล้วก็ประเทศหนึ่งที่ไปทํางานกันมากนะก็เรียกก็คืออนะิสราเอลมีคนไทยอยู่ที่นั่นประมาณสอง ห5 0 0 0้าพันคนได้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะไม่เหมือนญี่ปุ่นเมื่อสิบปีที่แล้วนี่คนไทยไปเป็นแสนนะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในจะเสล์นี่เป็นผู้ชายนะแล้วก็เก้าเปซ็นเป็นคนอีสานนะก็ไปหลายเมืองทีเดียวนะหน้าตาของคนไทยที่นั่นก็ดูไม่ค่อยมีความสุขนะเพราะว่างานมันหนักนะงานนหนักอากาศก็ร้อนนะ แล้วก็ทํางานบางทีไม่มีเสาอาทิตย์เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นบางช่วงผลไม้มันออกก็ต้องรีบส่วนใหญ่ก็ไปทํางานนะในฟาร์มนะที่เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรก่อสร้างมีน้อยนะไปทําเรื่องการเกษตรก็เพิ่งทราบนะว่าอิสราเอลนี่ก็เป็นประเทศซึ่งส่งออกผลไม้เยอะมากเขาปลูก นะพริกหวานปลูกปล้วยนะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ผลไม้มากมายนะลอกดมสมบูรณ์นะพริกหวานนี่ใหญ่นะมะเขือเทศนี่ก็เรียกว่าต้องต้องถือสองมือมั้งเพราะมันใหญ่นะและที่น่าประหลาดคือว่า พื้นที่ที่ปลูกเนี่ยเป็นทะเลทรายนะเป็นทะเลทรายแล้วก็ปลูกนี่ก็ปลูกในเรือนในเรือนกระจกคล้ายๆว่ามีพวกพลาสติกคอยกันเอาไว้ไม่ให้มแมลงเข้าเดินเข้าไปนั้นมันก็มีแต่ทรายนะเฉพาะตรงบริเวณที่ปลูกต้นไม้เนี่ยจะเป็นพริกจะเป็นะมะเขือเทศเนี่ยมันถึงจะเป็นสีเขียว จะเรียกว่าอิสราเอลนี่ค่อนประเทศเป็นทะเลทรายก็ว่าได้แต่ทำไมก็ถึงปลูกพืชได้งดงามมากนะเพราะว่าเขาใช้นะเขาใช้น้าเขาใช้ปุ๋ยจนกระทั่งสามารถที่จะผลิตมากมายจนส่งออกได้พูดในแง่ของทุนเดิมในของอิสราเอลนี่ก็มันมีน้อยนะสำหรับการปลูกพืช น, นะเพราะเป็นทะเลทรายน้ำก็น้อยอากาศก็ไม่ดี นะไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยนีทน่ทุนเดิมนี่เรามีเยอะนะเพราะเราอยู่ในเขตเส้นสูงสูดนะฝนก็เยอะนะอันนี้พูดถึงแต่ก่อนนะจกนกระทั่งปีนี้นะพื้นดินก็มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ตรงข้ามกับอิสราเอลเลยแต่ว่าเขากลับกลายเป็นประเทศพัฒนาได้ตอนนี้อิสราเอลนี่จ่าว่าเป็นประเทศพัฒนาเลทั้งที่ตอนที่มาสร้างประเทศใหม่ๆเ ม, มื่อสัก หกปีที่แล้วนี่ยากจนมากปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเลยอันนี้นก็เป็นตัวอย่างนะว่าแม้ว่าทุนเดิมจะมีน้อยแต่ว่าถ้าเพิ่มทุนใหม่เข้าไปไม่ใช่แค่น้ําไม่ใช่แค่ปุ๋ยนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือความเพียรพยายามนะแล้วก็ใช้สติปัญญาถ้าอาว่าอัดตรงนี้เข้าไปนะทั้งความเพียรพยายามทั้งปัญญาแล้วก็น้ําปุ๋ยมันก็ หามาเองก็สามารถจะเอามาได้ก็กลายเป็นว่าเป็นประเทศที่ลุดหน้ากว่าเมืองไทยนะ ท, ทั้งที่ทุนเดิมนี่เรามีมากกว่าอันนี้มันก็ชี้เห็นนะว่าทุนเดิมเนี่ยหรือทุนเก่าจะมีน้อยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราหาทุนใหม่มาเพิ่มหรือเปล่าคนที่มีคนที่มีวิชาความรู้น้อยเพราะไม่ค่อยได้ร่าเรียนอาจจะเป็นเพราะความยากจน นะมาได้เรียนก็อายุประมาณ 14-15 หรือบางคนก็ได้เรียนจริงๆก็อายุย0นะเรียกว่าทุนเดิมมีน้อยแต่หลายคนนะพอก็เพิ่มทุนใหม่เข้าไปเรียนด้วยความขยันขันแข็งมีความภาคเพียรพยายามความรู้ที่ได้มาความสามารถที่เพิ่มพูนก็สามารถจะช่วยให้สร้างเนื้อสร้างตัวนะจนประสบความสำเร็จได้ บางทีจะว่าไปมันก็เหมือนกับแม่ครัวนะแม่ครัวบางคนเนี่ยเครื่องครัวมีน้อยนะแต่ว่าเขาตั้งใจเขาตั้งใจทำนะเขาใช้สติปัญญาเขาก็สามารถจะปรุงอาหารได้ดีขณะที่บางคนมีแม่ครัวบางคนนี่มีเครื่องเยอะไม่มีอะไรขาดเลยนะแต่ว่าปรุงอาหารแม่อร่อยคนไม่เข้าร้านนะพ่ออะไรนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ความเพียรไม่ได้ใช้ความสามารถ ใส่เข้าไปให้เต็มที่ได้ไปดูผลงานของนักเขียนคนหนึ่งซึ่งนักวาดคนหนึ่งมีชื่อมากแวนโกะนะแวนโกเนี่ยนะเป็นเป็นนักวาดที่มีชื่อมากเนี่ยภาพของเขาเดือนนี้ราคาก็หลายสิบล้านหรือเป็นร้อยล้านบาทแต่ละภาพแต่ละภาพแต่ว่าเขาเนี่ยเขาเริ่มมาวาดภาพจริงๆเนี่ยเริ่มมาสนใจว่าภาพหญิงต่อก็ต่ อ, อยุยสิบนะแล้วก็ ความรู้เรื่องการวาดภาพก็มีน้อยทักษะก็มีน้อยแต่ว่าเขาก็ตั้งใจมากนะภายในเวลาหาปีนี้เขาก็มีความสามารถในการวาดภาพที่งดงามแล้วก็อยู่ในระดับโลกได้ทีเดียวทั้งที่เขาก็มาช้ากว่าคนอื่นบางคนนี่ได้เรียนวาดภาพมาตั้งแต่เป็นนักเรียนเข้าหมายถลยศรริลปกรหรือหมายถลัยเกี่ยวกับการวาดภาพจิตรกรรม นะเรียกว่ามีทุนดีทุนเดิมนี่มากขเขาเยอะแต่ว่าทุนใหม่สร้างมาน้อยนะก็ะเลยไม่สามารถจะผลิตผลงานได้มากเท่ากับแวนโกะนะแวนโกะนี่เขามีเวลาวาดภาพนะจริงๆศึกษาแล้วก็ผลิตผลงานแค่1ิปีเท่านั้นแหละอายุสั้นนะ30บกว่าปีก็ตายแต่ผลงานเขานี่ยิ่งใหญ่มากเมืองไทยเรานี่มีทุนเดิมเยอะนะ แต่ว่าทุนใหม่สร้างน้อยนะมันก็เลยไม่ค่อยอเจริญรุ่ดหน้าเท่าไหร่กระมือคนที่อาจจะมีโอกาสได้ล่าเรียนมาตั้งแต่เด็กมีความรู้เยอะแต่ว่าไม่หาความรู้ใหม่มาเพิ่มเติมนะการประกอบอาชีพก็ในสุขก็ไม่ค่อยจเจริญก้าวหน้าเท่าไหร่ ทุนเดิมสำคัญก็จริงแต่ว่าทุนใหม่สำคัญกว่านะอันนี้อันนี้รวมไปถึงคนทีอ่อาจจะพบว่าตัวเองเนี่ยนะเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยเพราะว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าร่างกายไม่ดีตั้งแต่เล็กนะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะสู้คนอื่นได้แต่ถ้าเกิดมีความภาคเพียรพยายามนะ อาวิชาความรู้นะแล้วก็วางจิตวางใจได้ดีนะไม่ไปเอาอาดีตที่ผ่านมาเนะี่ยเป็นเครื่องบีบคั้นกําลังใจหรือบั่นทอนกําลังใจเนี่ยนะก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้เจริญก้าวหน้าได้อันนี้จะว่าไปก็ยอมถอยหลังไปถึงคนที่อาจจะบอกว่าโอ้ชาติก่อนนี่ฉันทํากรรมไม่เดียวไว้นะั้นชาตินี้นี่ฉันก็เลยนะ เป็นคนยากจนหรือว่าชาตินี้ก็เลยสุขภาพไม่ดีหลายคนหมดอะไรายอยากกับชีวิตเพราะรู้สึกว่าเนี่ยไปคิดไปเข้าใจว่าชาติที่แล้วทำกรรมไม่ดีเอาไว้ที่จริงมไม่สำคัญเลยนะว่าใ้ที่เจ็บป่วยทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากรรมในปัจจุบันหรือว่าเป็นกรรมในชาติที่แล้วสิ่งสำคัญคือว่าเราไม่ยอมท้อถอย ก็พยายามที่จะศึกษาหาความรู้นะปฏิบัติธรรมเสริมสร้างกําลังใจพัฒนาความสามารถมันก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองหรือถีบตัวเองให้ให้เจริญก้าวหน้าได้สามารถจะมีความสุขมากกว่าคนที่เขาเกิดมามีร่างกายควบสายสองเดสม์ซัมเดี๋ยวนี้มีค น, นบนกันมากนะว่าเนี่ยกรรมนั่นชาที่แล้วฉันทํากรรมไม่เดียวไว้นะแล้วก็จมอยู่แค่นั้นนะ่ะไปติดยึกแต่ว่าเออฉัน ทุนเดิมนี่ฉันไม่ดีนะแต่ไม่ได้คิดแล้วว่าทุนเดิมไม่สําคัญเท่ากับทุนใหม่หรือว่ากรรมเดิมไม่สําคัญเท่ากับว่ากรรมใหม่นะกรรมเก่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่สร้างกรรมใหม่ให้ดีนะก็สามารถที่จะฉุดพาเชื่องตัวออกจากความทุกข์ได้ถ้าคนไายเรานี่ไปไปไปหมกมุ่นไปไปให้ความสําคัญกับกกับกรรมเก่าหรืออดีตมากไปนะแล้วก็ไม่คิดที่จะสร้างกรรมใหม่นะ ชีวิตก็ไม่ก้าวหน้าประเทศก็ไม่เจริญนะพอทุนเดิมเริ่มหมดไปก็ไม่รู้ทำยังไงแล้ะตอนนี้นะประเทศเราเนี่ยดินมันก็จืดลงฝนก็เริ่มแรงนะไอ้กำไรเรียกว่าทุนเก่าก็ค่อยหมดไปหมดไปทุนใหม่ไม่ได้สร้างขึ้นอนาคตมันจ ะ, จะเจริญได้อย่างไรนะแต่ถึงแม้บ้านเมืองเราตอนนี้เริ่มมีปัญหาสิ่งแวดล้อมนะดินจืดนะ ฝนฟ้าไม่ค่อยอำนวยแล้วแต่จะว่าไปก็ดีกว่าอิสราเอลเยอะนี่เะฉะนั้นถ้าบ้านเราแม่จะแม่จะกลับไปเป็นทะเลทรายเนี่ยแต่ถ้ามีความเพียรพยายามนะมันก็จะสามารถจะนำพาประเทศออกจากความยากลำบากได้แต่ถ้าเอาตาคู่หม อ, อกคุ้มใจว่าตอนนี้นะดินฟ้าอากาศแย่แล้วน้ำไม่มีแล้วจะอยู่อย่างไร นะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีทางที่จะเลืมตาอาปากได้หรือไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากาความทุกข์ยากได้งั้นก็สําคัญนะทุนเก่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะแยกหรือมันกาลังจะหมดไปไม่สําคัญก็ว่าสร้างทุนใหม่ให้มากขึ้นนะเอาล้วก็อพอสมควรแล้วเตรียมรับพร